เห็นแล้วแต่ใจยังยอมรับความจริงไม่ได้ก็เกิดอาการพิกลพิการขึ้นมานะเรียกสะเพาะๆเลยนะเรียกว่าอาท์ีนวายานพยาตูปัฏฐานญานนิพพิทายานความจริงก็คืออาการที่จิตยังพิกลพิการอยู่นั่นแหละยังยอมรับความจริงไม่ได้เห็นความจริงล้ว่าตัวเราไม่มีแต่ยังยอมรับไม่ได้นี่ถ้ารู้ทันนะถ้าเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้คนที่เรียนจากหลวงพ่อแล้วมาถึงตรงนี้นั้นเยอะแยะนับไม่ถูกแล้วนะ